เจ็ดอัตตาธานะอังคะว่าด้วยองค์แห่งอธิกรที่ตนพึงรับครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับครั้นแล้ว ถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าภิกษุผู้ประสงค์จะรับชัมระอธิกรณ์ควรรับอธิกรณ์ประกอบด้วยองค์เท่าไหร่พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคกรัาว่าอุบาลีภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์พึงรับอธิกรณ์ประกอบด้วยองค์ห้า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 ก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้น 2. อ, อันหนึ่งถ้าภิกษุพิจารณารู้อย่างนี้ว่าถึงเวลาที่จะรับอธิกรณี้ไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาภิกษุนั้นพึงพิจารณายิ่งขึ้นอีกว่าข้อที่เราประสงค์จะรับอธิกรณี้อธิกรณ์ที่เราจะรับนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง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 เราจะไม่ได้ภิกษุผู้เคยพบเห็นเคยคบหากันมาเป็นพวกโดยชอบธรรมโดยชอบด้วยวินัยก็ไม่ควรรับอธิกรณ์นั้นหอันหนึ่งถ้าภิกษุพิจารนารู้อย่างนี้ว่าเราเมื่อรับอธิกรณี้ไว้เราจะได้ภิกษุผู้เคยพบเห็นเคยคบหากันมาเป็นพวกโดยชอบธรรม